แต่ก่อนนู้นถึงคนบางคนก็แปลกใจไงเป็นไปได้ไงคนนี้นะรับอิสลามเป็นไปได้ไงมุสอวิมณงไม่เล่นเนี่ยเป็นเยาวาชนเจ้าสําราญเศรษฐีของกุรเรชคนหนึ่งพออิสลามได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาในกลายเป็นคนละคนเลยซึ่งคนที่เสียผลประโยชน์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 ประสความสำเร็จในการที่จะทำให้องคอ์กรนั้นลุเมหลีวไปเลยนะที่สุดเนี่ยเขาจะต้องถูกขับไล่จากองคอ์กรการถูกขับไล่นี่ก็คือการีการที่จะกล่าวต่อหน้าเขาว่าเขาไม่ได้เป็นคนหนึ่งในองคอ์กรแล้วซึ่งมีค่าเดียวกับที่เราเรียกกันนาะกล่าวหาว่าเป็นกาเฟ่ไงกาฟ่ในหมายว่าคนไม่ได้เป็นผู้แสดงลอันนี้กันเลย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 พฤติกรรมอำพางของพวกมุนาฟิกีนเนี่ยไอฟอลด์ดิฮาสุรที่แฉสุรที่เผยความชั่วของพวกมุนาแต่ประเด็นของของกลุ่มของพฤติกรรมของพวกมุนาฟิกีนเนี่ยที่สุรตาาัตตวารีต้องการต้องการชีให้เห็น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 แต่แต응่พฤติกรรมของเขาเนี่ยมันสื่อถึงเจตนารมณ์ที่จะทำลายบ้านเมืองประเทศชาติเนี่ยเขาก็ถือว่าตรยศชาติแล้วนี่ก็เหมือนกันอัลลอฮ์ س ะถามเขาว่าเขาไม่รู้หรือว่าพฤติกรรมของเขาเนี่ยมันเป็นการตอนอลม่ไูอาติรงเขาเนีันรลฮ์ว่าเู้รว่าพฤติมของเขาเนันารตล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 ใช่และนี่คือคาอธิบายกับอายะเดียวมีเนื้อหาเดียวกันในสุร์อัลจินว่ยัสิละฮวะรัสูละห์ فإن ف أ ن لهنا له رجح ن م ق ا ل د ي ف ف الله ن فيها أبدا อันเนี้ย่าฝืนว่าไม่ยาสิมาซียาสิในสุรานั้นน่ะถ้าแปลว่าผู้ใดที่ฝ่าฝืนอัลล์รูลลมาจึงได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 กรดีงวเกรดีงว่ า, วาถ้าเข้าใจว่าไม่ยอมรับว่าว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องบาปนะอันนั้นตกศาสนาถึงแม้ว่าเขาอยากจะแสดงความเริงขั้นเขาเขายัางเป็นมุสลิมเขาอยากจะคุมหิจาบซึ่งเป็นเรื่องเป็นเรื่องแปลกมากเนี่ยคือแปลงเพศแปลงเพศแล้วก็มาคิงในเพศที่ไม่ได้เป็นเพศจริงของเออมันแปลกไหม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 ผู้รู้ต่อหน้าเขาเนี่ยกระดูดผู้รู้ต้องเห็นต้องเห็นใจแต่ก่อนนู้นนะผู้รู้บรรยายนีย่พ้องบุรีนะเนี่ยอธิบายคุตอันนี้เนี่ยมีบุรีไม่ใช่ที่อื่นนะ้าบ้านเรานะี่ยไม่รู้บังหมัดทันไหมทนันเออแต่ตตครูรุ่นรุ่นเขาแกนูน้นน่ะฮะประมาณไม่ไม่นานมากเลย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 ที่จะเรียนนิติศาสตร์แล้วก็รู้คาว่ามัรที่รู้กันนี่นะเพระร่งบุรีนี่แหละที่รู้คาว่ามังกรนี่นะพระเรืงบุรีมีคนมาบอกว่าบาปก็ไปถามโตครูเฮ้ยบาปมาคูบอกว่ามักรอะไรย่งมังกรนี่มัมัรนี่เราเวลนยามเขามัรมัรนี่ปว่าไม่บาปใช่เพราะสมมุติฐานของมัสลาเนี่ยมีคนมาบอกว่าบุรีนี่บาปใช่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 ที่จะเพี้ยนไปด้วยน่แต่เรื่องนี้มันก็มีโอกาสที่จะผิดเพี้ยนในเรื่องที่บัญชัดที่มันไม่มีความขัดแย้งก็ได้ที่มันไม่มีความขัดแย้งเลยก็ได้ถ้าหากว่าเขาอยากจะทำอะบาปนี้เขาอยากจะทำอยากได้อะและความเสี่ยงตรงนี้นะครับที่ที่ผมบอกว่าอุลามาฮขคนเดีกัน เป็นการตกศาสนาชนิดหนึ่งที่ไม่ใช่เรื่องการปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงนะอ่เขาเรียกว่ า, าเป็นการฝา่าฝืนที่สมบูรณ์ฝา่าฝืนที่สมบูรณ์นี่ก็คือเริงเริงยูฮัดหรือหรือแม้ขอเรื่องกุฟรุลกุฟรุลมูฮัดการปฏิเสธชนิดต่อต้าน สีนา่าไม่บาบอันนี้ปฏิเสธคาสั่งสอนอย่างหนึ่งใช่อันนี้ตกศาสนานะอันนี้ตกศาสนาเนะีน่านไม่ฮารามอันนี้ตกศาสนาเล่าเนี่ยไม่ฮารามะจะไม่ได้นะอันนี้อันนี้เคสนึงอีกเคสนึงเล่าบุีเนี่ยฮารามบามีคนมาห้าม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 ตะลึงกันเลยตะลึงกันเลยรู seas, ้รู Jill, ้เด้งไงพอเขารู White ้ว่าท่านนบีสุลต์ละละเลวเสด็จแหลมทราบแล้วเนี่ยรู้ตัวแล้วสิว่าเขาทําทําผิดขนาดไหนก็เลยรีบไปขออภัยจากท่านนบีสุลต์ละละอะลัย์มุสลัมเนี่ยยศละบว่าแท้จริงนี่ตอนที่เขาก็กำลังเยอะหญิงเยอะเยอะเย้ยเยอะหยัน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 ถ้าสังเกตดทัวโลกมุสลิมมันะไม่มีมุสลิมสักคนนึ่งออกมาทาแบบนี้เพราะอะไรมุสลิมทุกคนเนี่ยรู้ว่าการลบหลู่เนี่ยไม่ใช่ลบหลู่ในมูฮัมหมัดนะลบหลู่ท่านน บ, บีอิสาเอลเนี่ยลบหลู่ไบเบิลทั้งนั้นที่ไบเบิลเนี่ยเราก็รู้ว่าไบเบิลนี่ถูกบิดเบือนส่วนมากถูกบิดเบือนใช่แต่เราก็ไม่คิดว่าเออจะเอาไบเบิลนี่มาเผาใช่ไหม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 ไอ้พวกนี้เนี่ยรู้ว่าท่านนบีสุลต่าลอฮะเลวซัลลัมสราบเหตุการณ์ของเขาเนี่ยก็เลยรีบวิ่งไปขอโทษจักท่านนบีท่านนบีขี่อูดละเขาก็ไปจับเชือกในเสด็ยงานเขาบอกว่าจับห็ฮักกับฮักบมุมสีกุนบีฮักกับินหนาฮักกับนี่ก็คืออูดเนี่ยมันจะมีก็เลยอะไรอ่ะเหมือนเป็นกระเป๋ามันเป็น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 เช่นพูดเรื่องนรกอย่างเนี้ยเฮ้ยโดมึงแอ น, นี่ถูกปิ้งในนรกเนี่ยปิ้งจนเกรียมเลยเนี่ยเป็นซูชิเป็นไอเป็นเป็นเป็นเนื้อกระทะเลยอะไรเงี้ยเออคือเทียบได้แต่ถ้าหากว่าจะกลายเป็นเรื่องโจกเลยนะมันไม่เหมาะเลยทําไมนรกนี่มีไว้ขู่นึกออกมันรกนี่มีไว้กลัว ไป น, นี้มฟังตะกอน น, นะบบกนู้นน่ะซาฮาบะแล้วก็ยุสซาลฟ์นี่ได้ยินเรื่องนรกเนี่เขาจะก้มหัวแล้วก็ร้องไห้กันนะแต่นี่พูดนะมีเหลืออะไรและนะ่ะหนึ่งไม่เหลือแล้วสินรกถูกเอ้ยนะี่ก็ไม่น่ากลัวแล้วเรื่องสนุกด้ซ้ำเอ้ยดี๋ยวไปฟังอาจารย์นี่พูดเรื่องนรกสนุกเลยว่าเอาแทนที่จะเป็นเรื่องสำนึกกันเนปะ็นเรื่อง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 ลบล้ลางบาปมหันนเพราะในสมครามอัลีมามะหลังจากที่ท่นานนบีเสียชีวิตไปแล้วแล้วก็มีคุมเผาบานรุหนีฟะบนูุนีฟะไม่ใช่อบูหนีฟะนะบรรุนีฟะในเป็นเผาเผานึงอยู่ที่ส่วนกลางของคาบสมุทรอาหรับปัจจุบับนนี้เทอร์เรียดอะไรไม่รู้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 ให้อาภายคนหนึ่ง อ, กกน ง, งอีกกลุ่มนึงไม่แสดงอีกลุ่มนึงไม่ให้ใช่ปะ่ะอา้าวคนที่ลบหลู่ท่านนาบีเนี่ยโทษของเขาเนี่ยก็คือประหารลบหลู่ศา ส, ะสะนาและกสะสะารศาสนาลบหลู่อัลลอฮ์ลบหลู่รสน์โทษนี่คือประหารเขาบอกว่ามันเป็นคดีอาญาแผ่นดินเขาจะสํำนึกไม่สํานึกเนี่ยต้องถูกลงโทษ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 ตัวก็กำลังจัดจัดปาร์ตี้เนี่ยพวกทหารพวกยศ ใ, ใหญ่ๆนี่กำลังจัดปาร์ตี้กันแล้วก็เพอๆนี่ไอ้ไอ้ทหารยศเล็กๆ เ, เนี่ยเขาที่เขาบริการอะไรก็ลูกน้องแล้วก็ช่วยทํพาพลาดอะไรสักอย่างหนึ่งเขาก็เลยเขาก็สาบานเขาก็สาบานว่าวเขาไม่ได้ทําหมายถึงว่าเออหนะบเขาบอกว่าเฮ้ยอย่ามาเอ่ยชื่ อ, อ ล, ละแบบนี้อย่ามาเอ่ยนันเนี่ย